พระเจ้ากินรานี่คืออดีตพานน์น์นะอดีต พ, พานน์นนะท่านก็ออกมาประพาสเดินก็มาเห็นบุุษเปี้ยอยู่ข้างอยู่เนียอยู่ใต้ไอ้ต้นไม้นี่อะอยู่ข้างๆอุทยานท่านที่ว่าก็โอ้โหมนุษย์เปรตเนี่ยว่าทำไมรูปร่างอัปลักษณ์ถึงปบา น, นี้ก็อุทานออกมาอย่างดังๆเลยใ ห, ให้ให้บุุษเปี้ยได้ยินด้วย จะมีสตรีนางไหนเนี่ยนี่ชอบได้เนี่ยคนขนาดอัปลักษณ์แบ น, นี้นี่คนบุรุษเปี้ยดนี่เกิดมาณขึ้นมาใช่ไหมเกิดมาณขึ้นมาก็หันไปทางต้นไม้บอกว่าบอกกับเทวดาเลยบอกว่าบอกว่าในเรื่องเนี้ยมีแต่เทวดากับข้าพเจ้าเท่านั้นจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอยู่นลยพระโลหิตฟังแล้วนี่คํานวณออกเลยเพราะคนมีปัญญาว่าเออ นี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยงานเนี่ยก็เลยถามกลับไปก็ถามบรราชาบอกว่าตอนหลังเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยประมาณทักตีหนึ่งตีสองะไรต่างเคยถูกพระวรากายของพระมาเหศีไหมอ๋อถูกเป็นยังไงว่าเย็นก็เลยบอกว่า<ม>เป็นสหายกันด้วยก็เลยบอกถ้า ง, งั้นพระมเหศีทำกรรมชั่วแล้วคงประพฤติ น, นอกใจพระ อ, องค์แล้วอุ้ยเป็นไปได้ บุหรุตขนาดลากรูบล่างอย่างกระเปรดอย่างนี้นะเป็นไปได้หรือก็บอกงั้นพระองค์ก็ต้องพิสูจน์แล้วก็เลยแกล้งแกล้งหลับพอแกล้งหลับเบีเสร็จก็แกล้งหลับนอนนานหน่อยเมวันนั้นพอสักพักนึงพอหลับเบีเสร็จแล้วพ่อเอ๋ศรีก็แต่งองค์ทรงแกล้งเบีเสร็จก็ปีนป่ายต้นไม้ลงมาเนีปีนป่ายต้นไม้ลงมาเบีเสร็จก็โอ้โหบุหรุษเปรี้ยโกรธมากมาช้าน่ะตบ แล้วก็แต่พระพระราชาเสด็จตามมานะเสด็จตามตามตามลงมาก็ามายืนดูอยู ه, ่โอ้โหบุรุษเปี้ยใช้มือตบตบที่ทั้งนี้นแล้วตรงนี้หลุดเลยไอ้แหวนไอ้ไอ้ต้มหูนี่หลุดกิงไปที่เท้าท่านก็จิบเลแล้วก็บอกว่าโอ้กกลัวจะมาได้เนี่ยกลัวจะทําให้พระราชาได้แล้วก็อ้อนวอนนะเอาโอเข้าใจบุรุษเปี้ยนั้นะแล้วก็ก็ร่วมมาพี่ลม กลับไปพระราชาทีนี้ก็พอรุ่งขึ้นก็บอกให้แต่งตัวทรงเครื่องมาบอกว่าให้แต่งตัวให้ครบเนี่ยนัที่ว่าพขแต่งมาก็เลยไม่ได้ใส่นี่มาก็เรียกประชุมก็ถามบอกว่าต่างหายไปไหนก็บอกก็ส่งให้ช่างนายนางก็โกหกว่าให้ช่างนั้นซ่อมก็ไปเรียกช่างมาดีช่างบอกไม่มีโอแต่เนี้ยโยนให้ดูเลยแล้วก็สั่งให้เอาเอาไปฆ่า ทางโรหิตก็ขอชีวิตไว้บอกว่าสตรีสตรีสตรีมีความโลเลแบบนี้นะสตรีมีความโลเลแบบนี้นะก็เลยบอกว่าก็เลยไม่ฆ่าก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นไม่เชื่องั้นจะพิสูจน์ให้ดูก็ก็เลยกันมานกันม่านกันปพราแลวโรโิดคือพระโพธิสัตว์เห็นไหมเนี่ยขนาดอัจฉาสยะที่ท่านตั้งไว้ขนาดนี้ แต่ต้องการที่จะทดลองให้พรลาวชาได้เกิดปัญญาเกิดขึ้นในเรื่องนี้ก็ไปนั่งร้องข้ยศาจะูไปนั่งร้องไห้ข้างทางพอเขาขบวนที่จะส่งตัวเยี่ยวสามมาตรวจเขาก็ะามเรียบร้องให้ฝังกระบวนการนี้ก็มาถามพ่าเป็นอะไรบอกว่าโอ้ภรรยาจะคลอดก็ภรยนเอเป็นผู้ชายก็ไม่กล้าเข้าพายเป็นทัพนึงไง แค่เข้าไปเบสเิคในที่สุด เบสเสร็จแล้วก็คุโรหิตก็กลับมาก็ถามโดยเปย่างช่วยเยอะอย่างเป็นตอนที่เป็นมหาสุทัศนะนะคะคือเราเห็นผลของทานจากที่เป็นพระเจ้ามันทัตุราชกับมหาสุทัศนะสิ่งที่ใช้ทรัพย์เนี่ยต่างกาันแต่นิสรณะอชาสายเนี่ย สุดท้ายช่วยไว้เยอะที่สุดท้ายก็จะส่วนใหญ่ก็จะทิ้งแล้วก็เข้าสู่ป่านะคะโยมถึงว่าตัวนิสสนาอชาสายเนี่ยตัวนี้เนี่ยสาคัญมากๆเลยที่จะกระตุ้นเตือนให้นึกถึงว่าเอะเราเฝ้ามาอย่างนีนเน้เพื่อเป้าหมายคืออะไรตัวเป้าหมายจะกระตุ้นเตือนทําให้เรากลับมลังได้ใช่ไหมที่โยมมองถึงตรงนเพราะว่า สังเกตดูเนี่ยเมื่อเจออะไรกระทบกระเทือนที่จะเป็นปัจจัยนิดเดียวเนี่ยสละเลยตรงเนี้ยสูงมากๆซึ่งซึ่งน่าชื่นชมมากมากซึ่งตั้งได้ดีมากตรงเนี้ยนิสรณัาถาอชชาสยะตั้งได้ดีมาก ซ, ซึ่งซึ่งตรงนี้ต้องแต่ละท่านก็ต้องบ่มเพญ น, นะถ้าต้องการจะเดินในวัฏฏะนี่เนึ่ยถึงไม่ต้องการมันต้องเดินอยู่แล้วใช่ไหมถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะพ้นได้นะต้องเดินอยู่แล้ว ฉะนั้นสาหรับบคุคคลที่จะเดินทางไกลทั้งหลายเนี่ยเอาไวไ้อย่างไรดรธิววดีเดินไกลแน่ไหมต้องตั้งหรื อ, อยังต้องตั้งแล้วยอมตุ้มตั้งไว้แค่ไหนฮะตั้งไว้แข็งแรงไหมแข็งแรงหรืออ่อนแอ ย, ยังไม่ค่อยแข็งแรงตรงนี้ต้องตั้งแล้วเนี่ยเพราะตรงนี้นี่แหละที่บอกว่าเป็น นั้นไม่ว่าจะทานเจต น, นาที่เป็นทานเจตนาที่เป็นศีลเป็นต้นหรอเนี้ยนะหรือเพื่อจะประชุมมรรคเจตนาเป็นต้นให้เกิดขึ้นมาได้เนี่ยนั้นก็แก้ว่าบุคคลที่สามารถที่จะใช้อะมาพูดถึงสองข้อนะหนึ่งตั้งใจไว้ก่อนนะตั้งใจจะให้กุศลนั้นเกิดขึ้นสอนก็คือฝึกจิตฝึกจิตให้เข้าหากุศลแล้วก็3คือคุ้นเคยกับกุศลประการที่4เป็นชื่อของการพิจารณาอารมณ์ด้วยปัญญา ก็คือตัวโยนิสโสมณิสิกาซึ่งเป็นเหตุใกล้ของกุศลทีนี้เหตุใกล้ของกุศลต้องเกี่ยวข้องอะไรต้องเกี่ยวข้องการฟังทำการครบสัตบุตรการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมนะตรงนี้นะแต่ปุเพกระตะปุญญาตาตอนนี้เราเราเร า, เรามันผ่านมาแล้วเนี่ยใช่ไหมแต่เราจะสร้างปัจจุบันนี้ได้นะสร้างปุเพกระตะปุญญาตาในปัจจุบันนี้ได้ก็พยายามสร้างเหตุปัจจุบันให้เหมาะนะอย่างเนี้ย เนี่ยการทําแบบนี้เขาเรียกสร้างปุเพกตาปุญญาตาแล้วก็พ่อมีอัตตสัมมารปณิทิจึงได้ปุเพกตาปุญญาตาแล้วปุเพกตาปุญญาตาในปัจจุบันนี้จะทําให้เราได้ถินถ่นที่เหมาะสมเมื่อได้ถิ่นที่เหมาะสมเราจะได้ครบสัตบุรุษดังนั้นมีถิ่นที่เหมาะสมที่ไหนผู้ไเจ้าจะไปหาท่านที่นั่นพู้ไเจ้าจะไปถิ่นที่เหมาะสมใช่ไหมเพราะในถิ่นที่เหมาะสมจะมีผู้ได้เจ้าอยู่การมีผู้ได้เจ้าอยู่เราจะได้ ได้คบพระเจ้าเมื่อคบพระพเจ้าเราจะได้ฟังธรรมเมื่อฟังธรรมจะได้มีโยนิโสมื่อโยนิโสมนัิการเกิดขึ้นเราจะได้เกิดกุศลในง่ายกุศลจะได้เกิดขึ้นง่ายฉะนั้นกุศลในชั้นของทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลต้องอาศัยโยนิโสมนัิการแต่โยนิโสมนัสการก็ต้องอาศัยปัจจัยนะทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นการเรื่องเป็นเรื่องของการพูดการการยึดโยงกันตลอดสายทุกอย่างมาจะเขตยปัจจัยการให้เหตุปัจจัยถูก ชีวิตดำเนินไปถูกแน่แต่ถ้าเราให้เหตุปัจจัยผิดพลาดนะชีวิตก็ผิดพลาดใช่ไหมงั้นการศึกษาพระธรรมทั้งหมดเนี่ยเราท่านทั้งหลายต้องการมาสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกเหตุปัจจัยที่ถูกเพื่อเป้าหมายในการเจริญงอกงามในศีลสมาธิปัญญาเพื่อการเจริญเพื่อการประดับตกแต่งจิตจมให้เป็นสมถาวิปัสนาเพื่อจะก้าวพ้นจากสังสารวัฏใช่ม ไม่ว่าจะเป็นทานกุศลศีลกุศลแม้ภาวนากุศลเป้าหมายก็คือต้องการทําสมถาวิปัสนาให้เกิดขึ้นนั่นเองทำศีลสมถาวิปัสนาให้เกิดขึ้นหรือทำทานทานศีลภาวนาเป็นต้นให้เกิดขึ้นเพื่อจะทําให้ไม่ต้องกลับมาเป็นอย่างนี้อีกถ้าดูในชั้นของคําสอนเนี่ยท่านจะกล่าวไว้เลยนะว่าผลของทานกุศลที่ต่างกันเนี่ยพราะทั้ ข้อแรกการให้อันยิ่งด้วยความอยากนี่มีตัณหานําชัดนี่ข้อที่สองให้ด้วยความยำเกรงข้อที่สให้ด้วยความละอายเกรงกลัวข้อที่4ให้ด้วยความไม่เหลือเศษข้อที่5ให้แก่ทักษิณาบุคคลข้อที่6ให้เพื่ออิงสุขโสมนัสสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นไปกับตัณหามนัสที่ถี่แต่ท่านจะสารเสริญข้อสุดท้ายอลังการาปริวารธานังการให้เพื่อเป็นเครื่องประดับ ตกแต่งปรุงแต่งจิตเนี่ยนะตรงนี้ก็คือว่าในกรณีของการให้ทานที่ประดับจิตอันประกอบไปด้วยสมถาวิปัสนาฉะนั้นเขาจึงทําฌานและอริยมรรคให้บังเกิดขึ้นด้วยจิตอันประกอบกับทานนะั้นแล้วก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมิด้วยฌานนะอนาคามิโนโหติเป็นต้นนี้ว่าไปตามลําดับนะก็หมายความว่าตรงนี้คืออะไรเนี่ยต้องการประดับตกแต่งจิตประดับก็คือทําสมถาวิปัสนาให้เกิดขึ้น ั้นถ้าให้ทานเป็นสามารถเอาทานทานั้นเปลี่ยนเป็นจารานุสติใช่ไหมทานอนุสติเป็นต้นให้เกิดขึ้นสามารถจะประดับสมถาวิปัสนาให้เกิดขึ้นพ้นทุกได้เพราะทานนี่นะถ้าขับเน้นทานกนะุศลจนสามารถเดินได้จนสามารถจนชัดเจนแล้วถ้าอย่างเงี้ยเห็นอะไรก็จเจริญทานกุศลไม่ออกเลยใช่จเจริญทานกุศลก็ไม่เป็นเลยเงี้ยแล้วเมื่อไหลศีลกุศลจะเดินได้ ท่านคิดศีลยากกว่าทานนะศีลเนี่ยยากกว่าทานใช่ไหมเอาว่าว่ายอมบําภัยเห็นยอมยิงการจะเจริญศีลได้กี่ข้ออเดี๋ยวนี้เลยจเจริญได้กี่ข้อให้ศีลเกิดเลยเอามาพูดอย่างนี้นะเอามาก็ไปยอมยอมพ่อยอมแม่มาเนี่ยท่องศีลก็ไม่ค่อยได้เอามาทำทําไงดีเนะเข้าไป พขากลาับจากสอนคนอื่นเสร็จแล้วกลางคืนก็ก้องไกห้องยอมพ่อยอมแม่นะมีวัวล้ได้ไปโปรดยมพ่อยอยมแม่ก็ไปนั่งพยายามบอกแกไม่ค่อยเข้าใจยังไปคล้ห้องเักห้งองเกินบอกมาช่วยหน่อยพ <c oughs> <า> <id> ่อโบชั่นตแม่บอกโอ้โหผมเหนื่อยมาทั้งกลางวันเลยเดี๋ยวช่วยหน่อยผมก็นั่งฟังนะให้ท่านช่วยอ๋อให้ท่านจะต้องพูดสั้นๆให้ท่านเข้าใจเนี่ย จะไปบอกปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามีแล้วก็บอกเจตนาศีลเจตสิกศีล ส, สังวรอวิติกมาศีลโอ้โหยิ่งไปใหญ่เลยใช่ไหมท่านจะรู้ศาสต์พวกนี้ได้ไงแล้วใช่ไหมขนาดเราเรียนแทบตายแายัางท่องกันแทบไม่ได้ใช่ไหมแล้วท่านจะไปทํำยังไงแต่เนี้ยก็บอกว่าก็บอกท่านบอกว่าเออนี่ข้อนี้เป็นแบบนี้บอกสรุปประเด็นให้อาจารเลิร์นแบบนี้ทําแบบนี้แบบเสร็จเนะี่ย อ่ะท่องไม่ได้ท่องไม่ได้รักษาอย่างนี้เข้าใจแบบนี้ก็บอกมุมท่านแบบนี้ก็ต้องไปบอกนี้กลับมาก็ต้องคอยไปบอกท่านกลับมาก็ต้องคอยไปบอกนโอ้โหไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลย <c oughs> เอ้าวเจริญยังไงเมื่อกี้ปล่อยเวลาพักคิด <c oughs> ไม่ใช่ลืมนะก็ครับ เ, าเราจะเลื่อนศีลย่งไรเวลาเจอหน้าพบนี่เจริญคิดถึงเลยจะเจื่อนี่เป็นคุณคิดถึงว่าเอาศีนศีนในอดศีระณะนะคะเอ า, เอาสมาทานังก็พอเห็นคุณหญิงการก็เราจะไม่ทํากายทุจริตในคุณหญิงการและพร้อมทั้งวจีทุตจริตในคุณกิงกา ร, ร, อ, ร, กการอ๋ออย่างนี้รวบรวบลัดเลยเนี่ยค่ะก <c oughs> ็ ก็รวมทั้งมโนทุจริตในคนิ่งการต้องพยายามสํารวมสติสํารวมอินทรีย์แล้วก็เพื่อให้อะไรสุดจริตสามเกิดขึ้นให้ได้คือคือคือพอพูดถึงตัวกายสุจริตเพราะ พอพูดถึงว่า พ, พูดถึงในด้านของกายสุจจริตสามว่าจีสุจริตสมโนสุจริตสามอันนี้เป็นผลของศีลเป็นอาการปรากฏเป็นผลปรากฏเกิดขึ้นนะนี่เป็นผลปรากฏเกิดขึ้นแต่ตัวตัวตัวที่เราจะเจริญนะั้นคือตัวกิจหน้าที่หรือการงานทําให้ศีลเดินทําให้ศีลทากิจเนะี่ยทให้กุศลศีลนะทํากิจนะกุศลศีลที่ทํากิจนั้นเป็นกุศลศีลน่ยเกิดที่ที่ใจใช่ไหม แล้วก็มาจัดแจงกายกรรมวิจีกรรมคือเวลากุศลศีลที่เป็นเจตนาศีลจิตเจตนานั้นไปปรุงไปไปไ ป, ไปกระตุ้นอะโลภะอโทสะแล้วก็อะโมหะหรือตัววิรตีทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นให้ทํากิจเพราะตัวศีลก็คือว่าอโลภะเห็นไหมเจตนาศีลกับเจตสิกศีลเจตนาศีล น, นั้นมีหนึ่งเจตสิกศีลมี6 อโลภาความไม่โลภอโทสะความไม่โกรธอโมหะความไม่หลงแล้วก็สัมมาวาจาสมมากรรมตาสมาชีวะก่อนใช่ไหมแล้วก็ดูเจตเจตนาศีลกับเจตสิกศีลถามบอกว่าเวลาเวลาเราคิดเนี่ยถ้าถามว่าถ้าเราจะขับเน้นที่ข้อแรกเจตนาที่คิดจกไม่ฆ่าเนี่ยเอ๊การฆ่าเนี่ยมันมาจากโทสะเป็นประธานเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมงั้น ถามว่าเราเคยโกรธท่านผู้นี้ไหมถ้าเคยโกรธอันนี้บ่งบอกว่าเราไม่ละมัดระวังนะใช่ไม่ใช่เมื่อเราเคยโกรธท่านผู้นี้ไม่พอใจท่านผู้นี้เป็นต้นเหล่านี้ไอ้ความโกรธทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นถ้าเราลองให้สิบอกว่าโยมกิ่งการ ม, มาจากชนกกรรมใช่ไหมกุศลกรรมตกแต่งตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มีกระแสชีวิตอยู่ ชีวิตของเธอก็เป็นไปกับกุศลกรรมที่เธอทําไว้ใช่ไหมฉะนั้นเราก็จะให้ชีวิตนั่นแหละเป็นทานด้วยการไม่คิดเบียดเบียนไม่คิดโกรธไม่คิดปทัทธุสลายไม่ไปหักลานชีวิตของเธอขอให้เธอมีชีวิตยืนยาวอยู่กับกุศลกรรมของเธอที่จะหล่อเลี้ยงให้กระแสชีวิตเป็นไปอย่างยาวนานเพียงไรขอให้เธอมีความเป็นสุขอยู่กับกระแสชีวิตเนะ กับกุศลกรรมที่ทําไว้อย่าได้มีบาปอากุศลใ ด, ด, มดๆมาเบียดเบียนตัดรอนชีวิตของเธอเลยแม้เราก็จะไม่คิดเบียดเบียนกระแสชีวิตของเธอให้ชีวิตเป็นทานนี้เจตนาที่เป็นศีลเป็นต้นเนี่ยข้อแรกเดินแล้วนะนี่เดินแล้วนะเดินไปแบบนี้นะเราให้อะไรเป็นทานตอนนี้ให้อะไรอยู่ให้ชีวิตไหม ให้ชีวิตมันศียข้อแรกนั่นแหละใช่ไหมก็คือเมตตานั่นแหละใช่ไหมเข้าใจอย่างเดียนี้จิตต้องเกิดขึ้นอย่างนี้จริงๆตัวกุศลและีลนจึงจะเดินจริงๆเย่นี้คือที่เมื่อกี้โยมไพรินกล่าวนะคะถ้ามาดูตัวคําพูดก็ทํานองนั้นแต่จริงๆต้องกําลังดูว่าขณะนี้กําลังขับเน้นเรื่องสีน่นนะคะก็มองในเรื่องของสีลเป็นหลัก เช่นว่าท่านอาจารย์เขาประสงค์ว่าจะไร่ตั้งแต่ศีลแต่ละข้อแต่ละข้อว่าเห็นบุคคลผู้นี้แล้วสามารถทําให้ศีลเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างเ<ะ>พราะฉะนั้นเนี่ยในหลายข้อธรรมะของท่านเจ้าเนี่ยในการฟังประโยคนหนึ่งหรือประโยชน์หนึ่งหนึ่งต่างๆเนี่ยนะคะถ้าไม่มีหัวข้อเนี่ยมันก็สามารถจะสงเคราะห์ลงในเรื่องของการแผ่เมตตาอย่างนี้นก็ได้ค่ะพอดีว่าตอนนี้ท่านอาจารย์มุ่งหมายกําลังจะ เอาเรื่องศีลมาเดินก็เลยพูดเรื่องศีลให้ใ ช, หชัดเจนจริงๆก็คิดได้ในหลายๆมุมเหมือนนะคะอย่างเรื่องของที่ว่าท่านอาจารย์บอกว่าให้เห็นเล้วเดินศีลได้ยังไงก็อย่างเช่นวม่ท่านอาจารย์ก็ใช้วิธีไร่เดินแต่ละข้อหรือแม้กระทั่งท่งานอาจารย์ก็อาจจะมองในเรื่องของตั้งแต่ว่าเจตน า, า, นนาก็เป็นศีลเจตสิกก็เป็นศีลก็เอาหมวดเจตสิกเข้ามาคิดหรือแม้กระทั่งความสำรวมระวังนะคะเอาข้อสังมรมาเพื่อพิจารณน ในบุคคลผู้นั้นเพื่อไม่ให้ล่วงละเมิดสิทนี่ก็เป็นเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มองได้นะคะหรือแม้กระทั่งประเด็นประเด็นที่รวมสรุปรวมทั้งหมดก็คือความทําอย่างไรที่จะไม่ให้อคุสสจิตเกิดขึ้นให้มหาคุสสรจิตเกิดขึ้นในบุคคลผู้นั้นผู้นั้นน่ะนะคะอันนี้ก็เป็นศีล์ที่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นมีที่เราจะมุมมองในข้อต่างๆจากการเรียนการศึกษาที่เราจะมา แยกแยะอย่างนี้ได้เจ้าค่ะที่ยอมมองเช่นนี้เจ้าค่ะท่านจ่าตรงนี้เวลาคิดอย่างนี้เอายกตัวเมื่อตรงนี้คิดนะต่อไปคิดยังไงรู้ไหมเมื่อเมื่อเอาหนึ่งชีวิตเป็นประธานอีกหลายร้อหลายล้านชีวิตเราก็จะไม่เบียดเบียนด้วยโดยไม่มีประมาณหาประมาณไม่ได้ให้ชีวิตเป็นทานหาประมาณไม่ได้เมื่อให้แบบหาประมาณไม่ได้ผลจากหาประมาณไม่ได้ใช่ไม เห็นไหมจากหนึ <mentor> <ide> ่งชีวิตที่เราคิดได้ขยายไปทุกชีวิตเลยเนี่ยคาว่าอัปมาโนหาประมาณไม่ได้คือเราจะให้ชีวิตทุกชีวิตปลอดภัยทุกชีวิตแหละแต่เมื่อเราเห็นหนึ่งชีวิตแหละกระจายจากหนึ่งชีวิตน่ะไปเป็นร้อยไปเป็นพันไปเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วกลายเป็นล้านจนหาประมาณไม่ได้เมื่อใครที่เราคิดถึงหรือแม้แต่สัตว์โลกทั้งหมดเราก็จะไม่คิดเบี่ยนเบียนท่านผู้นั้นด้วยอัธยาศัยที่ตั้งไว้น่ะจะมีกําลังมาก แม้เราเจอมดตัวหนึ่งเราจะไม่ฆ่าเนะเพราะเป็นสิ่งที่มีชีวิตมาจากการตั้งอาาาัจฉาิยหรือตั้งอัจาริยะที่ถูกต้องที่เป็นไปกับเจตนาศีลที่ถูกต้องเนะนี่แหละการตั้งในลักษณะอย่างเนี้จะเป็นปัจจัยในการเกลื้อนหนุนแล้วก็ปลุกเร้าคุณธรรมให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนได้เป็นจากการที่เดินหรือการคิดในลักษณะอย่างนี้เป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าทํากุศลและละธรรมหรือทํากุศลและจิตให้เกิดขึ้นที่มีเจตนาที่จิตที่คิดจาก ไม่ค่าคิดจะให้ชีวิตเป็นทานทุกชีวิตเนี่ยเราจะเห็นความสําคัญเราจะไม่กล้าล่วงละเมิดแม้แต่มดดําตัวเล็กๆหรือมดแดงตัวเล็กๆ เ, เนีเราก็จะไม่คิดฆ่าเขาเลยเพราะเป็นสิ่งที่มีชีวิตจกไม่กล้าก้าวล่วงทําให้ชีวิตของเขานะ่าตกล่วงเลยเนยีมองเห็นไหมว่าจากหนึ่งชีวิตที่เราให้เป็นแล้วเนี่ยมันจะเริ่มขยายไปได้มากขึ้นมากขึ้นตรงนี้ก็อยู่ที่การฝึกการฝึก ถ้าข้อแรกได้แล้วข้อต่อไปก็เริ่มเดินก็เริ่มเดินแต่อย่าลืมนะว่าทั้งหมดนี้มาจากทานที่แข็งแรงนะถ้าเจตนาทานการสละยังไม่เป็นการให้ชีวิตก็ไม่เป็นเพราะการให้ชีวิตเป็นมหาทานเป็นมหาทานงั้นการให้วัตถุต่างๆนั้นไม่เรียกมหาทานแต่การให้วัต ถ, ถุที่มีชีวิตเดินได้เกี่ยวข้องได้รู้สุกรู้ทุกข์ได้การให้อย่างนี้เป็นมหาทานใช่เป็นมหาทาน เป็นทานที่ยิ่งใหญ่เป็นการให้ชีวิตเป็นการให้ความปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินด้วยพอไปกระทบข้อ2เบ็ดเสร็จใ ห, ให้ให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินใช่ไหมพอข้อที่สาให้ความปลอดภัยในบุตรภรรยาของบุคคลอื่นไม่ทำให้เขาแตกแยกกันพอในข้อที่สี่แปลว่าให้คำสัตย์คำจริงเป็นเรื่องการให้หมดเลยไหมพอในข้อต่อไปก็แปลว่าให้ความสมัครสมานสามคัคคีไม่ให้ความแตกแยก ให้คนเขาสมัครสมานสามัคคีกันถ้าจะกล่าวก็กล่าวแต่เรื่องความสมัครสมานสามคัคคีแล้วก็ให้วาจาอ่อนหวานวาจาที่ไพเราะแล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าให้สิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลอย่างถูกต้องใช่ไหมไม่ใช่ให้สิ่งที่ไร้สาระและประการต่อมาก็คือไม่บัตุสลายสติสัมปชัญญะด้วยการด้วยของมืนเหมาก็แปลว่าเพื่อจะได้ไม่เป็นเหตุแห่งการบัตุสลายศีลทุกข้อเลยเนี่ยนะ ลักษณะนี้เป็นเรื่องของจิตที่คิดจะให้จิตที่คิดจะให้เห็นไหมจากที่คิดจะให้จากในด้านของวัตถุทานพัฒนาสูตรศีลเริ่มประดับศีลแล้วยังต่อไปก็จะประดับสมถะและประดับวิปัสนาคารวาาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องทานกระถาศีลกระถานีฉะนั้นเราที่อยู่ในคารวะที่บริโภคกามทั้งหลายเนี่ยโดยมากพระบรมศาสดาจะสอนอย่างนี้ เ่อให้เดินอย่างนี้เพราะชีวิตคารวะ ต, ต้องเกี่ยวข้องกับวัตถุกรรมเยอะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เยอะพระบรมศาสดาก็เลยสอนกรรมฐานที่จะเกื้อกูลต่อการที่จะเดินในการวิธีคิดเป็นไปในลักษณะนี้เพราะจะมองเห็นไหมยากไหมเดินแบบนี้ยากไหมคยับไม่ยากนะอะไรนะ ไม่เคยทําแบบนี้ใช่ไหมถ า, ามว่าเอางี้ว่าทําไมเราเห็นบุคคลนั้นทําไมเราคิดโลภโกรธหลงกับเขาได้ง่ายจังก็เพราะเราไม่ได้เดินทานกุศลศีลกุศลนั่นเองและภาวนากุศลนั่นเองฉะั้นท่าเราเดินอย่างนี้แบบว่าบอกอย่างนี้เป็นการบอกคร่าวๆนะถ้าในชั้นของรายละเอียดท่านจะมาแยกจําแนกว่ากายกรมยรมวิญญากรรมมโนกรรมนะ ที่เป็นทานยังไงเป็นศีลอย่างไงเป็นภาวนาอย่างไงแต่ตอนนี้มายังไม่เข้าไปแยกตรงนั้นเพราะว่าต้องการให้เดินตรงนี้ให้ให้เป็นก็นซึ่งซึ่งก็พยายามขับเน้นในลักษณะอย่างนี้เป้าหมายก็คือว่าให้เราต้องการที่ให้เราท่านทั้งหลายพัฒนาฝึกจิตเนี่ยประดับตกแต่งจิตกันให้เป็นเพราะว่าผ้าเนี่ยผ้าที่ไม่สะอาดเนี่ยต้องไปซักที่เมื่อเช้าแตมาได้กล่าวไปคร่าวๆเพื่อต้องการรวบรัด แล้วก็ให้ให้นำไปประพฤติปฏิบัติได้ได้ง่ายขึ้นแต่มันก็เป็นประเด็นที่ถ้าเกิดเราเราไม่เคยฝึกหัดอย่างนี้เลยเนี่ยหรือมีข้อมูลเก่ามากๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปรองใจเชื่อได้ว่าอย่างนี้มันมันเป็นวิธีการปฏิบัติจริงๆซึ่ง อัตมาเองเนี่ยใช้เวลานานเหมือนกันกว่าจะยอมรับก็ถึงบอกว่าได้รับข้อมูลมาปีหนึ่งนะยยมนะที่มาบอกในในในสูตรนั้นนะ่ะว่าพระพุทธเจ้าตอนเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านได้ใช้วิธีการนี้แล้วก็ในชินาลังกาละ ซึ่งคนที่แต่งหนังสือนันน่ะปาถนาความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ใช้วิธีนี้ในการาปรุงแต่งจิตในการขับเคลื่อนเจตนาทั้งเป็นเรื่องทานก็ตามศีลก็ตามภาวนาก็ตามซึ่งเราก็ถ้าเกิดเราไม่ว่าเราจะปาถนาอะไรก็ตาม ซึ่งจะต้องดาเนินวิธีการนี้จึงจะทำให้ไม่ยึดติดกับวัตถุสิ่งของอะไรเลยดังนั้นมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องกันกิเลสให้ได้ไม่ว่าจะได้รับสิ่งใดมาเนี่ยต้องกันกิเลสก่อนเป็นอันดับแรกเพราะคนส่วนใหญ่พอได้อะไรมาก็ยึดเลยนะว่าเป็นของเราเลยอาตมาจึงบอกว่า อันนี้มันเป็นของอาตมาแล้วซึ่งซึ่งจะบอกว่ายึดแล้วยึดแล้วแต่เมื่อเรายึดแล้วเนี่ยจะทำยังไงล่ะก็บูชาพู้เจ้าเลยทั้งหมดเลยสิ่งที่อยู่ในกุติอาตมาก็บูชาพู้เจ้าเลยสิ่งที่ได้มาก็บูชาพู้เจ้าไปก่อนเพื่อป้องกันป้องกันกิเลสป้องกันอกุศล ไม่งั้นมันยึดแน่นอนโยมถ้าไม่ทําอย่างนี้เนี่ยจเจริญกุศลยากกุศลไม่เกิดเลยเพราะว่ามันไปยึดหมดแล้วเห็นดอกไม้สวยๆก็ยึดแล้วเห็นคนต่างๆเดินผู้พานไปผู้พานมาบางทีไม่คิดเลยโมหะกินอีกโยมบางทีให้ไปแล้วเนี่ยมันรีบให้อโยมไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้คิดอะไรเลยรีบให้ปุ๊บ เป็นโมหะในการให้อีกโยมบางทีอยากให้มากๆากนะอาตามาจะโดนตําหนิบ่อยเพราะว่ามันอยากให้เห็นอะไรก็อยากจะให้เอ่าเป็นตันหาอีกดูซินี่ขนาดเราต้องการที่จะให้นายโยมนะทั้งทั้งที่เจตนาเนี่ยเราตั้งไว้แล้วว่ามีอะไรเราก็จะให้เจตนาไปก่อนแล้วพอได้วัตถุมาก็จะให้เลยเอา้าวไ ป, ไปมาเป็นโลภะไปอีกอะ่ะลองดูซิเนี่ย ดังนั้นถ้าเกิดไม่ตั้งอัธยาศัยอย่างที่ว่าเนี่ยหรือสมาทานไว้ก่อนถ้าเราไม่คิดล่วงหน้าไว้ก่อนเลยไม่สมาทานไว้ก่อนเลยกิเลสมันดักหมดเลยนะยังนะดักทุกทางเลยขนาดเราว่าเราคิดว่าทําถูกแล้วเออไอ้นีต้ตัวนี้ก็เป็นมานะไปอีกคิดว่าทําถูกเนี่ยมันมันดักไว้หมดเลยทั้งทั้งที่ข้อมูลคาสอนเนี่ย เยอะแยะมากมายเลยมันก็เรียนรู้ด้วยนะโยมนะมันก็เรียนรู้ไปในขณะนั้นด้วยดังนั้นไม่ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยมันเตรียยไว้หมดแล้วมันเตรียยไว้หมดแล้วโยมมันส่งเสนามาด้วยแค่เสนาก็ล่วงแล้วไม่ต้องถึงตัวใหญ่หรอกไม่ต้องถึงมารห้าหรอกแค่เสนาก็ล่วงแล้วดังนั้นถ้าทานไม่เข้มแข็ง จเจริญขึ้นสินยากเลยให้ดอปไว้ก่อนเรื่องวิปัสนาต้องดอปไว้ก่อนเลยเอาทานให้เข้าใจก่อนเลยถ้าทานเข้าใจแล้วโหพื้นฐานมันแน่นจเจริญสินได้ทุกมุมเลยการให้นี่เป็นาวาลิศินยังไงเป็นจาริศินยังไงมันจเจริญได้ต่อเลยถ้าทานบริบูรณ์นะโ เราจะคิดแง่มุมของเป็นจาริศีนก็ได้อย่างเช่นบูชาพระเจ้าอย่างเช่นอัตมาดูแลอาจารย์ก็เป็นวาลิสีน เ, ออเป็นจาริศีนอีกเห็นไหมเอาเราให้ความปลอดภัยแล้วก็เป็นวาลิศีนเมื่อเราดูแลอย่างนี้เราเราไม่คิดจะฆ่าเราไม่คิดจะรักอยู่แล้วพูดคําสัตย์คิดคําจริง ให้ความสามาคัคคีเกิดจากทานที่หนาแน่นในอย่านะจึงให้มหาทานได้ทานที่หนาแน่นนะแล้วทุกย่างข้าวเนี่ยเป็นทานยังไงต้องคํานวณให้ดีในอย่นะนะไม่งั้นเดินไปด้วยโมหะตลอดเลยนะถ้าไม่เตรียมไว้ก่อนเนี่ยถ้าไม่เตรียมไว้ก่อนถ้าไม่มีข้อมูลในใจไว้ก่อนเนี่ยทุกย่างข้าวเป็นโมหะก็มี ทุกย่างก้าวเป็นโลภะก็มีเป็นมานะเป็นทิ่ฐิได้หมดเลยดังนั้นต้องคำนวณทุกย่างข้าวโยมถ้าเกิดต้องการขาบุญแล้วเนี่ยต้องการขาบุญต้องคำนวณทุกย่างก้าวเลยทุกลมหายใจเลยไม่ให้แทรกเพราะมันดักเป็นระยะนะอย่างนะี้มันดักเป็นระยะเลยบางทีเดินสามก้าวมันดักบางทีเดินห้าก้าวมันดักบางที ขับรถไปจะทําบุญนายมในขณะที่ขับรถไม่ได้คิดถึงเรื่องบุญเลยคิดถึงแต่ไปติดไฟแดงบ้างปาดหน้าบ้างคนนั้นคนนี้บ้างไม่ได้คิดเลยนะไปมาปุพหะเจตนาหายไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีการคํานวณขนาดนี้โดนดักเล่นหมดเลยมันทําลาย บางทีเราได้ขาดเดียวบางทีเราได้เฉพาะปุพหมุญจะเจตน า, าปุพระเจตนาหายเอาปลารปลาไม่ต้องพูดถึงเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยคิดถึงบุญเก่าอยู่แล้วชอบทำแต่บุญใหม่ชอบทำแต่บุญใหม่หมดังนั้นอันนี้มันก็ดักเหมือนกันก็ถูกถูกกิเลสดับเหมือนกันคือไม่ให้คิดถึงบุญที่สร้างมา ใ ห, ให้สร้างใหม่เรื่อยๆสร้างใหม่เรื่อยๆห้สร้างใหม่เรื่อยๆก็ส่วนใหญ่ก็พลาดอีกอส่วนใหญ่ก็พลาดอีกซึ่งแต่ละคนอาตมาคิดว่านี่ให้มามากให้มามากแล้วดังนั้นอาตมาส่วนใหญ่ถ้าเกิดมันผิดพลาดในอดีตเนี่ยอาตมาก็จะย้อนกลับไปอันไหนมันผิดพลาดบ้างก็ย้อนกลับไป ย้อนกลับไปเพื่อที่จะไปแก้ไขสิ่งผิดพลาดไม่ใช่เป็นการฟุ้งซ่าน น, นะอยนะแต่เราจะสมาทานใหม่สมาทานไอสิ่งที่ผิดพลาดเนี่ยให้มันถูกต้องในปัจจุบันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะไม่ให้ผิดพลาดแล้วไ อ, ไอสิ่งที่เคยให้มาที่ผิดพลาดเนี่ยขอให้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ในปัจจุบันเนี่ยจะไม่ผิดพลาดอย่างนั้นแล้ว เป็นการสมาทานสมาทานไว้ก่อนดังนั้นในอนาคตต่อไปจะได้ผิดพลาดเหมือนในอดีตอีกก็ได้ใช้การสมาทานอย่างนี้แหละทําให้มันหนาแน่นขึ้นเมื่อทานเราหนาแน่นแล้วเราเปูพื้นฐานทานได้ดีแล้วโอ้มันพัฒ น, นาไปศีลได้หลายมุมเลยเ อ, อ, อย่างที่โยมบอกว่ามันสามารถเป็นเมตตาได้ ก็การให้ทานนั้นมันเป็นการเจริญสารานิยธรรมอยู่แล้วซึ่งประกอบด้วยเมตตาทั้งสามอย่างดังนั้นไม่มีขณะไหนเลยที่เราเจริญทานและเจริญศีลแล้วไม่ประกอบด้วยเมตตาดังนั้นไปไปมาคุยทุกเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งนั้นเลยที่เราคุยเรื่องทานศีลภาวนาก็ชื่อว่าการเจริญศีลสมถาวิปัสนา มันเป็นการคุยเรื่องเดียวกันแต่ครนี้ต้องการแยกรายละเอียดเราก็จะแยกว่าตรงนี้เป็นทางตรงนี้เป็นศีลตรงนี้เป็นภาวนาตรงนี้เป็นศีลตรงนี้เป็นสมถะตรงนี้เป็นวิปัสสนาแยกให้ให้เห็นเป็นตัวตัวเจตสิกทุกตัวแยกออกมาให้เห็นแต่ความจริงแล้วมันเกิดร่วมกันแล้วมันก็ไปพร้อมกันศีล ส, สมถาวิปัสสนาต้องไปด้วยกันไปมาเราคุยเรื่องเดียวกันแต่เราก็ เวลามาคุยบางทีก็คนนั้นก็เห็นมุมหนึ่งคนนี้ก็เห็นมุมหนึ่งคนนั้นก็เห็นมุมนึงไปแต่ความจริงแล้วเรามาเรามาคุยหรือมาถกกันในเรื่องเดียวกันนั่นเองดังนั้นถ้าเกิดเราสามารถเชื่อมโยงพระไตรปิฎกหรือคําสอนของพระพุทธเจ้าลงมาแล้วเนี่ยก็คือการเจริญสีสมาธิปัญญานั่นเอง ในฝ่ายคารวสพระ อ, องค์ใช้คำ ว, ว่าทานศีลภาวนาก็คือหมุนหมุนสิขาสามให้เจริญในใจของผู้นั้นนั่นเองไม่ได้คุยเรื่องอื่นเลยก็คุยเรื่องศีลสมถาวิปัสสนานั่นเองยมมีประเด็นอะไรจะถามพระบ้างเวลาเยจะหมดว มีอะไรจะถามไหมอา้าวมีใครสงสัยอะไรถามนะถามอา้าว <c oughs> ได้ก็ต้องคิดให้ถูกนั่นแหละแต่ก่อนคิดอาจจะผิดใช่ไหมก็ต้องคิดให้ถูกคือ คือข้อมูลความเข้าใจมันจะได้เมื่อจากการฟังว่าทมจนเกิดความเข้าใจมากขึ้นอย่าแปลกใจให้สังเกตใช่ไหมว่า เ, าเมื่อตอนช่วงที่ให้โยมนกมาพูดให้ฟังเห็นไหมว่าทำไมเคยสังเกตไหมว่าเธอไปพบพ ร, ะ เ, พระเจ้าครั้งแรกคิดอีกอย่างตอนปริญญาพานแต่พอไปอีกครั้งหนึ่งจำไว้พออยู่สองวันสาวันเนี่ย <c oughs> พอไปครั้งหนึ่งความคิดเธอก็เปลี่ยน ก็คิดอีกมุมหนึ่งเห็นไหมว่าข้อมูลเปลี่ยนเนี่ยความคิดเปลี่ยนคือข้อมูลทีแรกเนี่ยได้ระดับนี้ก็คิดได้ระดับนี้แต่พอข้อมูลเริ่มพัฒนาความคิดกจะพัฒนาขึ้นตรงนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นความคิดจะพัฒนาไปตามข้อมูลที่ได้เนะมื่อได้ข้อมูลที่ถูกแล้วก็เริ่มอัธยาศัยที่เราเริ่มจเจริญเป็นแล้วนัเข้านเข้าก็จะได้ความละเอียด ได้ได้ความชัดเจนขึ้นฉะนั้นเมื่อจึงบอกไปยึดติดกับข้อมูลที่เรายกตัวอย่างเช่นเอายมสุวรรณยกนะจริงจิงปลารอบยมสุวรรณก็ยังไม่ค่อยหมอเนี่ยเพราะเธอพกหูวนี่นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะพูดในฐานนะว่ายกเป็นตัวอย่างก็แล้วกันแต่ปารอคนอื่นนะแต่ยกเดี๋ยวเอามาไม่ได้เดี๋ยวเอามาจะเป็นอันบาตรก็คืองี้ว่าที่แรกบอกว่า รักษาศีลไม่เห็นต้องสมาทานแล้วก็ยึดติดกับความเข้าใจแบบนี้ใช่ไหมเขาไม่จําเป็นหนึ่งสมาทานไม่เป็นเลยเพราะเราก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้รักทรัพย์ออกมาเจอโยมอยู่ท่านหนึ่งเมื่อไหร่ก็คิดแบบนี้แหละก็โยมไม่ได้ฆ่าสัตว์ยอมไม่ได้รักทรัพย์ยอมไม่ได้พูดผิดในกามยมไม่ได้พูดเท็จต่อเสียดคำหยาเพื่อเจริญยอมไม่ได้ดื่มสุราเมรัยก็ยอมอยู่คนเดียวยอมผิดศีลได้งยอมอยู่เปสมาทานทำไมต่อมาก็ยิทําลยยอม เคยเห็นคนติดคุกัมหมเห็นยอมคิดว่าคนติดคุกก็มีศีลไหมแล้วเขาไม่ได้ฆ่าสัตว์เหมือนยมอ่ะไม่รักษาเหมือนยอมอ่ะเขาบอกเออโอหน้าคิดก็ว่าเขาไม่ไมีศีล <c oughs> <c oughs> หรอกทำไมเขาไม่ได้เจตนาเ้าไม่ได้ตั้งใจจะรักษาศีลไม่อยู่ที่การเจตนาการตั้งใจที่จะรักษาไม่อยู่การว่าไม่ไม่พูดแล้วเป็นศีลที่ไหนแล้ใช่ไหม แต่งั้นคนพูดไม่ได้กับศีลก็ดีจังเลยทั้งวจีก็สุดจริตหมดสิใช่ไหมใช่คนเป็นใบ้าก็เยอะแยะใช่ไหมเด็กออแอออแอมาก็สบายเลยส่ศีลไม่ได้อยู่ตรงนั้นศีลอยู่ตรงความเข้าใจและอยู่ในความตั้งใจที่รักษาฉะนั้นเมื่อได้ข้อมูลใหม่แล้วก็เอมามาลึกให้เป็นอัปปาราปะเจตนาได้ไหมดีไม่ดีใช่ไหมเป็นเรื่องที่ควรทํา เป็นเรื่องที่ควรทําวันก่อนใช่ไหมไปที่ยมที่แม่ของยอมต้มใช่ไหมยังบอกว่าเออให้เขียนรายงานใช่ไหมหเขียนว่าเคยทําอะไรเพราะท่านอายุมากแล้วไงวให้เขียนเชเขียนแล้วให้แกอ่านใช่ไหมเพราะเดี๋ยวแกจะลืมหมดแล้วชีวิตนะให้แกอ่านาเลาไปทําวัดจดมณ์ก็ไปถวายรายงานพระศ า, าสดาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดิฉันใช่ไหม เป็นอุบาสิกานับถือพระบรมศาสดามาตั้งแต่อายุเท่านั้นจนปัจจุบันนี้แล้วได้ทำหน้าที่ในฐานะเป็นอุบาสิกาของพระบรมศาสดาได้ถวายวัตถุทานเหล่านี้ถวายเป็นวัตถบูชาหนึงได้ถวายเลยเพราะว่าไ ป, ปพระท่านอายุมากอย่างนี้ท่านได้ชื่นใจให้ถวายทุกวันทุกวันได้ไหมเราก็ยังทำได้เลยใช่ไหมถวายที่ในฐานะเป็นอุบาสิกาของพระบรมศาสดาได้เจริญทานในกุศลอะไรก็ถวายรายงานท่านก็น่าชื่นใจถ้าทำอย่างนั้นได้ใช่ไหม อในทําหน้าที่ในฐานะอุบาสกทําได้ไหมอุบาสกก็ทําได้อย่างเพราะถ้าไม่จดไว้ก็ลืมพระเจ้าเทวานามปิยะดิษายัางจดยังจดเลยให้อมัดอ่านรายงานให้ฟังพอทานกุศลไล่ฟังทั้งนี้ก็คิดไม่ได้ทำมาเยอะเหลือเกินไล่ตามดับอะไรนะจะประทับใจจะได้เป็นอารมณ์ก่อนตายได้บ้างยังไม่ได้เป็นเชือกยึดเชือกยึดในที่นั้นเป็นอารมณ์นะเป็นอารม ณ, เรมณ์เป็นที่ตั้งเป็นมหาปัจพีบ้างนะ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือเป็นอะไรเป็นราชสีบังเป็นอสารพิษเป็นอสรพิษนะธานเจตนาทานเป็นเตอร์อะไรเนี้ยเพราะเพราะอะไรอสารพิษนี่น่ากลัวไหมน่ากลัวอันนี้ก็เหมือนกันความตนหนีเข้าใกล้ได้ยากฉันั้นเจตนาธานยังเป็นอสารพิษความต้นหนีไม่กล้าเข้าใกล้แล้ววิ่งหนีหมดความโลภก็ไม่กล้าเข้าใกล้ใช่ไหมได้บอกว่าสภาพ ที่จะทำให้เกิดขึ้กนก็นกนคืออโล <c oughs> พะอโลพะก็คือสภาพธรรมที่ไม่โลภไม่โลภนี่นึไม่โลภในที่นั้นก็คือว่าที่ไม่ต้องการนที่ไม่ติดยึดอารมณ์เนี่ยไม่เกาะติดอารมณ์น้าไม่เกาะติดบนใบบัวสภาพของอโลพะก็เป็นอย่างนั้นแหละการติดเนี่ยนะถ้าหากว่า สภาพจิตที่ไม่เกาะติดอารมณ์เหมือนกันน้ําที่ไม่ติดบนใบบัวกิจจรักษณะของอโลภาที่จะเด่นขึ้นการโลพาทานก็คือว่าการไม่ยึดติดอารมณ์ว่าของเราทรัพย์สมบัติของเราดุดผ้าอาหารดุดพ้นจากกิเลสแล้วไม่ยึดติดวัตถุวัทรัพย์ของเราเป็นต้นถ้าสภาพอโลภาเกิดขึ้นมันจะเป็นแบบนั้นแหละแต่มันไม่เกิดยาวไงพวกเราจะเกิดเป็นระยะระยะแต่ถ้าอโลพาเกิดขึ้นในเวลาใดอโลพาจะไม่ติดข้องในอารมณ์สังเกตอย่างนี้นะว่าถ้ากุศลเกิดขึ้นอโลภาก็จะเกิด แต่ก่อนเอามาเรียนปัจจัยเรียนปัจฐานเนี่ไมเอามาสงสยัยเหลือเกินเนี่ยนี่คือสงสัยตรงไหนใช่ไหมตอนนั้นเน่ะตอนนั้นนั่งเรียนมาเรียนมานานแล้วสมัยก่อนนั่งฟังก็อ่านดูเขาบอกว่าสภาพของกุศลเนี่ยจักไม่จักไม่เป็นอ ร, รมานาทิปดีอารมณูปนิสยาต่อสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์ที่เป็นกามาคุณใช่ไหมแล้วก็นึกในใจเอ๊ะทำไมทําไมยินดีไม่ได้ พรถ้าไปคิดโดยแง่ขององค์ธรรมแล่วไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เอ๊ะทําไมไม่ได้อิทธาลมเนี่ยไม่ได้อราหมนาทิบเดียรอมโนปนิสยะแต่ถ้าโลภะละได้แล้วไปยินดีในสีเสียงกลิ่นรสสัมปัตโอ้โเข้าใจเลยเห็นไหมถ้าเจตนาที่เป็นทา น, นกุศลเนี่ยที่สละที่ ก, กรณีที่จะเป็นอโลภะทานเกิดขึ้นจริงๆริงเนีเขาไม่ยึดติดหรอกสภาพจิตจะเกิดขึ้นกิ่ของอโลภะเนี่ยเกิดขึ้นก็เหมือนกับน้ํากับใบบัวไม่ยึดติดเลย แล้วอาการปรากฏเกิดขึ้นใจเหมือนอะไรท่านเลยเอาใจพระอรหันต์มาเปรียบเทียบไปดูเลยแต่เราไม่สามารถจะเดินอโลภาได้อย่างต่อเนื่องชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายไม่สามารถจะเดินได้ต่อเนื่องเพราะสภาพของกุศลเนี่ยเกิดได้ยากแต่เกิดแต่ละครั้งก็มีค่ามหาศาลโอ้สภาพกุศล ท, ท, ท, ทั้งทั้งที่เกิดไม่ยาวนี่นะสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยกุศลเกิดได้ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่เนี่ยก็ยังมีค่าใช่ไหมก็เรียกว่ามหากุศลเนี่ย ให้ผลได้มากกว่าตนทั้งเป็นเบื้องต้นของชาณาพิญญามะผลเนี่ยมันชัดอย่างนั้นเลยถ้าใครสามารถเดินกุศลได้เจ็ดวันติดต่อกันก็โอ้โหมรรลุเลยมรรลุเลยนะใช่ไหมเดินได้ไหมนนั่งอยู่นี่ใคร ย, ยกมือหน่อยทีไม่ให้ออกุศลแทรกเลยทุกชาวนะจะมีกุศลเกิดอย่างต่อเนื่องแต่นั่นคือเป้าหมายที่ต้องเดินนะใช่ไหมพราะอาหารเนี่ยท่านจะเดินได้ขนาดนั้นขนาดอันนี้แม่สูตรนี้แม่มาเล่าเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวเราท้อ เล่าให้เป็นกำลังใจไว้ก่อนดีกว่าอ๋องศ์นึกแวบถึงส่วนหนึ่งไม่เอามาเล่าดีกว่าเดี๋ยวว่าเล่าขึ้นมาเดี๋ยวเราก็โอ้โหทำไมไม่ไม่เอาแล้วทำไม <c oughs> ก็คือว่าสภาพของอโลพะอโทส่าเนี่ยอโลพาก็คือธรรมชาติที่ไม่ยึดติดในอารมณ์ใช่มว่าท ร, รัพย์ของเราท ร, รัพย์ของเราเงินของเราเงินทองของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรา คือถ้าหากเราเข้าใจคำสอนเบ็ดเสร็จเนะี่ยบางคราวถ้าอะโลภามันเกิดขึ้นมามนจะเป็นขณะบ่อยๆเหมือนกันนะสะภาพที่ว่าทุกอย่างไม่ใช่ของเราเลยนะใช่ไหมแต่มัน grab บบ เ, เดี๋ยวก็เข้ากัของเราตามมาอีกนะนะแล้วเนี่ยแต่เนี่ยเป้าหมายของไอ้เจตนาทานเนะี่ยก็เพื่อจะให้ประเภทแบบนี้เกิดขึ้นประเภทของกุศลประเภทนี้เกิดขึ้นที่สภาพเกี่ยวามอะโลพาทานคือสภาพที่ไม่ติดข้อง พราพราะตัวเจตนาทานต้องไปทําลายความโลภพอทําลายความโลภแล้วอโลภะก็จะเด่นขึ้นเพราะโลภะเด่นขึ้นอัตโทสาก็พลอยเด่นขึ้นด้วยเพราะความมันทําลายความตณหริไปด้วยไงถึงถึงบอกว่ากิจของทานนกุศลทําลายโลภะผลปรากฏของทานก็คือความสมบูรณ์แห่งพบชาติใช่ไหมคําว่าพบชาติในที่นั้นก็คือความสมบูรณ์ของตางกิจของโลกยังไงอย่างใช่ไหมแต่จะสมบูรณ์แค่ไหนก็แล้วแต่ใคร แล้วก็สิ้นพบชาติด้วยประทัดฐานเออประจุปฐานก็คือสภาพธรรมที่ไม่ประสงค์ที่จะติดอารมณ์เนี่ยบอกว่าคำว่าถ้าอโลพาถ้าผลปรากฏของอโลภาเด่นชัดจริงๆท่านอุปมาเหมือนกับตกในหลุมคูดอยากจะออกถ้าโลภาเนี่ยก็ไม่เนืลักษณะก็ค ผู้ตกในหลุมคูณไม่ปรารถนาจะติดอยู่ไม่ปรารถนาจะติดอยู่ให้สังเกตดูว่าคนที่เนคคำมะแรงๆหนึงที่บอกพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนคคำมะแรงๆอโลภาท่านแรงมากโอ้โหยังไงท่านอยนู่ท่านเห็นเป็นใช่ไหมทำไมท่านมองทรัพย์สมบัติเป็นก้อนเสเลตก้อนน้ำเสเล้าคขายทิ้งก็อโลภาท่านเด่นไงนั่นแหละเนคคำมะท่านเด่นมาก นี่ไงอโลภาทานท่านจึงกล้าสละราชบรร ล, ลังสละแผ่นดินสละจกักรพรรดิสมบัติสละบริวารสมบัติใช่ไหมสละเทวสมบัติพรหมสมบัติที่ท่านได้ท่านจึงกล้าสละเพราะอโลพะเด่นมากในกระแสะใจของพระโพธิสัตว์แต่เราก็ไม่เข้าใจว่าสละได้ยังไงใช่ไหมแต่ถ้าลองลองเจตนากระตุ้นได้แงรงๆเมื่อไหร่เนี่ยจะเด่นมากจะเด่นมากอโลพะจะเด่นมากเคยเกิดไหมแบบนี้ เคยมีสักวันไหมอยากจะสละทุกอย่างอยากจะออกบวชอยากจะอยู่ป่าอยากจะทิ้งทุกอย่างถ้าตรงนี้เด่นชัดมากขึ้นมากขึ้นแสดงว่าเนคคำมะอัจชาสยาเนี่ยนะหรือที่ท่านใช้คําว่าที่พระเจ้าจะสังเกตในพระเจ้าจะเริ่มจะทานนักถาศีนักถาสักขะคาถาใช่ไหมทานากถาศีนกถาเนี่ยพอพารณาทานากุศลสศศีกุศลเบ็ดเสร็จก็ก็ต้องได้อานิสงส์อยู่แล้วความสมบูรณ์แห่งภพชาติ มนุษยสมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติเนี่ยมันน่าจะทานศีลเป็นต้นทีนี้ความสมบูรณ์เห่นภพชาติทั้งหลายในความสมบูรณ์ของตาหูจมูกลิ้นกายใจความสมบูรณ์เห็นทรัพย์สมบัติทั้งหลายบริวารสมบัติทั้งหลายเนี่ยนะจักรพรรดิสมบัติเอยเกี่ยวกับเทวะสมบัติทั้งหลายในความสมบูรณ์ต่างๆเหล่านี้ยพภาษาสดาก็หักประดับประดาช้างให้ดูงามไหมเห็นไหมเหมือนกับกรณีช้างที่ไม่งามอะไรเลยเนี่ย พระศาสดาก็มาตกประดับตกแต่งเอาใช่ไหมเอาตกแต่งให้ดูเลยเอาดอกไม้มาประดับอาบน้ําประดับตกแต่งให้ดูงดงามจากช้างไม่งามดูงดงามน่าชื่นชมไหมก็เหมือนกันกรณีคนที่ไม่มีทานไม่มีศีลพระาศาสดาก็เริ่มประดับทานกุศลก็ให้ประดับศีลกุศลพอประดับประดาต่อไปผลมันมีนี่ผลของทานมีไม่มีโอ้โหงดงามมากบางคนก็ได้เป็น จักระพัดสมบัติใช่ไหมเทวะสมบัติได้มนุษย์สมบัติได้สวรรค์สมบัติโอ้โหได้เยอะแยะเบ็ดเสร็จนั่นคือถูกประดับได้ทานศีลเรียบร้อยแล้วแต่ต่อมาเนี่ยเมื่อประดับช้างเบ็ดเสร็จแล้วพระองค์ก็ตัดงวงช้างให้ดูเป็นไงมีโทษไหมถ้าได้ตามาแล้วมีโทษไหมได้หูได้จมูกได้ลิ้นได้กายได้ใจมามันมีโทษมันไม่เที่ยงอ่ะมันเป็นทุกข์เนี่ยมันบังคับไม่ได้มันเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเอาสิ เมืเ่อเป็นโรคอะไรคือถอนจากโรคนี้ได้สมถาวิปัสสนาเนีเป็นเครื่องถอนโรคนี้ใช่ไหมเป็นยารักษาโรคเมื่อเป็นหัวฝีอะไรจะรักษาฝีนี้ได้อะไรก็สมถาวิปัส ส, ส, ส, ส, สนาเป็นต้นศีลสมถาวิปัสสนาจะรักษาฝีนี้ได้ใช่ไหมมันเป็นลูกศร อ, อะไรจะเป็นท็อตเครื่องถอดลูกศรศีลสมถาวิปัสสนาจะถอดลูกศรเหล่านี้ได้ไดเห็นไหมพุทธเจ้าก็บอกอนิสงส์การออกจากกามแล้ว อะโลพาเด่นนั่นเองถึงจะอุ้มไม่ไหวแล้วเราต้องถอดออกให้ได้เราจะนอนอยู่ทําไมเนี่ยไม่มาอยู่แล้วจะรอวันมันพังเนี่ยรออยู่ให้วันตาบอดเนี่ยนอนรอนั่งรอเพื่อให้ตาบอดให้หูมันหนวกใช่ไหมให้สมองมันฟอ ร, รอทําไมให้ผมมันหงอกให้สรีล่มันโค้งงอให้ความป่วยไข้มันมาเยือนแล้วรอไม่ไหวแล้วพระศ า, าสดาก็ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเดินเหมดโอ้โหผ้าสะอาดแล้วใช่ไหมไม่จิตเนี่ยจิตถูกชําระด้วยทานกุศลศีลกุศล น, นะ เ, นเสร็จแล้วอ่อนควรต่อการที่จะเดินกุศลและศีลเ อ, อกุศลธรรมชั้นสูงพระองค์ก็เริ่มให้ข้อมูลก็เห็นโทษใหม่ๆไม่เห็นเหมือนมาบอกท่านมาอํานาจแต่ที่แรกบอกไปเหรอใช่ไหมท่านก็มอไม่ค่อยเข้าใจใหม่ๆมาก็บอกมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ โอ้โหฟังเราเครียดเนยท่นานว่างนั้นเครียดก็ต้องมาประดับมาโอ้โหประดับโอโไม่ใช่ทุกคนเป็นแบบนี้หมดแล้วยิ่งทราว่าก็ต้องเป็นแบบนี้ด้วยใช่ไหมฉะนั้นต้องเดินฉนั้นถึงท่าถึงบอกพยายามเจริญกุศลให้ต่อเนื่องเพราะต้องการให้จิตนั้นอ่อนควร ถ, ถ้าถ้าหากจิตไม่อ่อนไม่ควรดอต่อต่อกุศลไปเสร็จนะเราจะไปชี้โทษของกลาลก็ไม่เคยเห็นนะไม่หลายหลายท่านลองบอกที่กาลมันมีโทษนะ กามมีโทษเพียงไรการออกจากกรามก็มีคุณเพียงนั้นก็มนไม่เห็นเนยเหมือนวันใดวันหนึ่งที่เราเป็นก า, กาคุยกันมานบอกมุงทีสะเทือนใจเห็นเนคขมารนี่ชัดมากในใจเนี่ยเห็นไหมเพราะเห็นโทษกามมากเพียงไรก็จะเห็นคุณของเนคขมามากเพียงนั้นมันจะเด่นชัดมากมันจะเปรียบเทียบกันเนี่ยถ้าโทษของกรามมากอันนีงสงการออกจากกรามก็มีมากแต่ถ้าเห็นโทษของกามน้อยอันนี้เนคขมา ก, ก็จะน้อยมันจะเป็นอย่างนี้ นั้นอัจฉริยเนคขมัตชาสยนาสยนี่จะแข็งแรงได้ก็เพราะอโลภะเด่นอโลพาเด่นก็คือว่าถ้าให้สังเกตว่าเมื่อจิตสะอาดจิตโสกปกถูกชำระล้างด้วยทานนอกุศลศีลกุศลหรือด้วยคําสอนของพระบรมศาสดาอย่างต่อเนื่องที่พระศาสดาสอนแก่ยาศาสตร์คุรบุตรเป็นต้นเหล่านี้เพราะจิตอ่อนควรต่อการงานพระศาสดาก็ชี้เนคขมัตินะสังสัยกถาก็คืออธิสง์การออก ก, กิจกรรมแล้วสรุปลงในริยสัจ ขนาดออกได้ชั่วพักแล้วท่านก็รีบสรุปอริยสัจแล้วบรรลุตอนนั้นได้เลยเอาทีทั้งๆที่ยังไม่ได้เดินออกจากกาม เ, เดินออกเป็นนักบวชเลยนะท่านสรุปตอนนั้นยังไม่คารวะ จ, จริงได้บรรลุกันเยอะแยะเพราะพระองค์น่ยปรุงแต่งจิตประดับจิตจากทานในคถาศีแลคถาสักขคาถากามาทีนว่าคถาหินโทษของกรามแล้วก็เนคคำมานิสังสักคถาบอกอ น, นิสง์การออกจากการมโทษมากเพียงไรอนิสง์ก็เพียงนั้นสรุปลงอริยสัจบรรลุนนได้เลยตอนนั้นเขาเรียกว่าน้ําขึ้นรีบตักนะี รีบรีบตอนนั้นะเหล็กมันอ่อนแล้วจะดัดอะไรก็ได้แล้วแต่ถ้าหากว่าเทศไม่สรุลงอริยศาสตร์นี่นะพระเจ้าต้องตำหนิไงถ้าเทศเราไม่ลงอริยศาสตร์เนี่ยจะไม่ถือว่ามันยังไม่จบยังไม่จบแต่ยุคหลังนี่ลูกศิษย์ไปไม่เป็นยังยอกว่มามานี่นะเทศไปก็ขาดขา ด, ขาดเกินเกินก็สติปัญญาได้แค่นี้อยู่งมีสรุปก็ได้ไม่ค่อยครบประเด็นเลยแต่พวกเราก็เลยไม่ค่อยได้สาระเท่าที่ควรนี่แหละ เพราะไม่เจอพระเจ้าตัวจริงๆถ้าเจอจริงๆเราโหยเราก็จะได้ฟังธรรมะที่ชัดเจนเลยนั่นจะเป็นไปในลักษณะนี้เขาจะประดับประดับปรุงแต่งจิตใช่ไหมเพราะจิตเนี่ยพอประกวนต่อการงานอ่อนโยนเหมือนเหมือนเหล็กใช่ไหมเหล็กถ้าอ่อนจะถัดจะดัดทําอะไรก็ต้องดัดตอนนั้นเนี่ยแต่ไม่ใช่ไปดัดตอนแข็งนะดัดไม่ได้ ข้าเจ้านั้นจึงพยายามปรุงแต่งสังเกตในสมัยก่อนเวลาเขาฟังธรรมเขาจึงฟังกันต่อเนื่องจริงๆนะถึงบรรลุได้ในการฟังธรรมเขาจะฟังแล้วประดับเขาจะไม่สนใจใครเลยใช่ไหมทุกคนเนี่ยจะน้อมฟังแล้วผู้แสดงก็เก่งด้วยแสดงไปตามคําสอนข้าเจ้าได้ชัดถ้อยชัดคําด้วยแล้วก็เป็นไปตามคําสอนได้มีความไพเราะเพราะ พ, าะพิงด้วยเป็นไปตามลําดับแล้วผู้ฟังทั้งหลายก็ไม่สนใจใครเลยน้อมฟังเสมอเหมือนหนึ่งพระบรมศาสดาเทศในเนื้อก็ไปตามลําดับแล้วก็ ควนต่อการงานอย่างพวกเราเนี่เดินไม่ถึงเป้าหมายทุกทีเลยซดทุกทีซดทุกทีแล้วพอไปอีกสองสาวันเหล็กเย็นอีกแล้วเดี๋ยวพอฟุ่งนี้ก็เย็นแล้วเหล็ก <c oughs> ใช่ไหมแต่ถ้าหาว่าใครเอาไปพอรู้ข้อมูลตรงนี้ก็ไปต่อใช่ไหมไปฟังต่อฟังต่อฟังต่อเบบเสร็จก็อ่อนมาใช่ไหมบางคนนี่แค่วันเดียวพอเจอหน้าผมไม่ใช่พวกเราแล้วมั่งเนี้ยอย่างเี เจอหน้ากลายเป็นพวกใครก็ไม่รู้หน้าบอกอบางทีออามาลองลองเช็คข้อมูลดูนะพอกลับมาป้าก็รีบถามเลยถามว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้ยังงานบ้างอะไรกไไ็ไปแล้วตอนนี้ไปแล้วไปอีกแล้วเหล็กเย็นแล้วไม่อ่อนแล้วดัดยากอีกแล้วต้องเหนื่อยอีกนานเวยบอกมาถาน้าช่วยต่อทีแล้วต่อไปผมหยุดแล้วไม่ไหวไม่ไหวเหล็กมันเย็น อันนี้สมควรเก็เวลา